วัตถุไม่สัมพันธนักสัาพันธ์เขตของทานบางทีแล้วก็ย่องไปถวายกับพระที่ไม่มีศีลบ้างถวายกับพระที่เคยมีศีลแต่สิ้นขาดที่บ้างถวายกับพระที่มีศีลสมบูรณ์แบบบ้างถวายกับพระอริเจ้าบ้างอันที่อริสงมิเหมือนกันแต่ทั้งหมดสู้สัมานไม่ได้